ข่ากับบูชาพรธรนาไตรกาบน้ำมสการครูบาอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่หลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนและในที่นี้ก็มีหลวงพ่อกรมอาจารย์ทรงศิลปและขอนามสการภิกษุทุกรูปที่มาอยู่ร่วมกันนาสลาแห่งนี้ ขอเจริญพรแม่ชีและก็อุบาสกกุบาสิกาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้ก็นั่งตามสบายนะการมาใช้ชีวิตที่ป่าสุขโตเนี่ย สิ่งที่พวกเราจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกตัวจะมากี่วันก็ตามนะถ้าได้ความรู้สึกตัวกลับไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าพูดถึงความรู้สึกตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันเป็นคำที่เราฟังมันก็เป็นคำง่ายๆนะแต่ว่าทาไมนะ เรามาทำหลายวันแล้วก็ยังไม่ไม่รู้จักมันจริงๆสะทีว่ามันคืออะไรเหตุที่เราไม่รู้จริงๆนั้นก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเราคุ้นเคยกับรูปแบบของการปฏิบัติที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาหรืออาจจะเคยฝึกกันมา โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฝึกโดยใช้วิธีการนั่งหลับตาให้ใจสงบนิ่งไม่รับรู้อะไรเราคิดว่าอันนั้นเป็ น, ปนความสงบเป็นสิ่งที่เราจะได้รับาจากการปฏิบัติแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเราสังเกต ด, ดูถ้าใครเคยมีประสบการณ์ในการฝึก ก็จะเห็นว่าเราก็มีความสงบในขณะที่เรานั่งหลับตาในขณะที่เราอยู่ในสมาธินั้นแต่พอเราออกมาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเจอกับผู้คนต่างๆเนี่ยก็ยังมีดีใจเสียใจยังมีสุขมีทุกข์อยู่นะเพราะฉะนั้นความสงบที่เราได้จากการนั่งหลับตานั้น มีประโยชน์น้อยนะพูดถึงว่าถ้าเราจะเอามาใช้กับชีวิตประจําวันเนี่ยมีประโยชน์น้อยถ้าอย่างนั้นมันก็มีความสงบอีกแบบหนึ่งความสงบอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นความสงบที่เราไม่ต้องนั่งหลับตาเราลืมตาขึ้นมาเราทําการทํางานเรารู้เราสัมผัสได้อย่างในขณะนี้เนี่ยหลายท่า น, นาลองสังเกตดู ความรู้สึกของเราสงบไหมใจเราเป็นปกติไหมความสงบแบบนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน mm hmm. เพียงแต่ว่าในบางครั้งบางโอกาสเนี่ยเราเผลอเราไม่รู้ตัวนะมันก็มีอารมณ์เข้ามาแทรกจะเป็นความง่วงเหงาเหานอน เป็นความปวดความเมื่อยเป็นความคิดฟุ้งซ่านมันเข้ามาแทรกโดยเพพาะความคิดเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะที่ทำให้เราเนี่ยท่องเที่ยวนะไปในภพภูมิต่างๆนะบางทีก็ขึ้นสวรรค์บ้างแต่คิดดีคิดถึงเรื่องบุญก็ขึ้นสวรรค์ถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็ตกนรก เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยว่าขึ้นสวรรค์ตกนรกเนี่ยไม่ไกลกันเลยอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแต่มันมีอีกอันหนึ่งนะถ้าเราสังเกตดูดีๆนีมันมีความเป็นปกติของใจอ่ะความเป็นปกติของใจเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนและมันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีรสชาติเหมือนกับความสุขความทุกข์ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเสังเกตไม่ได้หรือเราจะไม่ได้สังเกตนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราสังเกตดูว่าใจของเราเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์ก็ตามมันจะกลับมาที่ปกติเราโกรธโกรธขนาดไหนก็ตามมันจะกลับมาเป็นปกติถ้าเราไม่คุ้นคิดต่อไปเราไม่ไปสร้างเรื่องราวต่อไปมันจะกลับมาปกติ เพราะนั้นความเป็นปกติเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์เราที่ทำให้เราไม่ไม่เป็นโรคประสาททำให้เราไม่บ้าทำให้เราไม่ไปฆ่าตัวตายไอ้ตัวนี้เป็นตัวตัวตัวต ว, วงดุลตัวสมดุลที่สำคัญเพราะฉะนั้นการมาฝึกเจริญสติเนี่ยก็เพื่อที่จะมาสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนั่นเองความเป็นปกติของใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ ส่วนใหญ่เนี่ยเราเราไม่ค่อยอยากได้ที่ไม่อยากได้เพราะมันจืดจืดมันเฉยเฉยมันไม่มีรสมีชาติเหมือนน้าดื่มเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราก็อยากจะดื่มน้ําที่มันมีรสชาติหน่อยไอ้น้ําจืดจืดธรรมดาเน่ยเราก็เฉยเฉยธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆถ้าเราสังเกต ด, ดูเมื่อเรากระหายน้ําเนี่ยเราต้องการน้ําจืดจืดเพราะถ้าไปกินน้ําหวานมันก็เปรี้ยวปากอีกมันก็ต้องไปจบที่น้ําจืดอีกก็เหมือนกัน ความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยมันจะไปจบที่ความเป็นปกติเพราะนั้นการที่เรามาฝึกเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็แสดงตัวของมันอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เพียงแต่ว่า mm hmm. เราเผลอไปเราไม่รู้ทันทีนี้การที่เราเผลอไปหรือไม่รู้ทันนั้นก็คือเราไม่มีสติเราไม่มีความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะนั้นที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็ฝึกให้ความรู้สึกตัวมัน มันที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันจับไวขึ้นความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยมันมีสติสามัญก็คือสติที่เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรอย่างไงในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นสติที่มีอยู่แล้วนะทีนี้สติตรงนี้มันยังไม่พอที่จะไปรู้เท่าทันค ว, ความโกรธความโลภความหลงรู้นะความโกรธไม่ดีแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะเราไม่มี ตัวที่จะไปถ่วงดุลหรือตัวที่จะไปทันมันความโกรธนี่มันเร็วนะมันเร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่เร็วเร็วกว่ากันสิ่งที่เร็วกว่าก็คือสติหรือความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองนี่คือเป็นสิ่งที่เรามาฝึกมาฝึกกันเพื่อที่จะพัฒนาตัวสติที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพให้มันมีความฉับไวขึ้นเราทํานี้ไม่ได้สติเพิ่มขึ้นนะแต่สติที่มีอยู่แล้วมันฉับไวขึ้น ฉับไวกับอารมณ์ฉับไวกับความคิดนะทีนี้ในการฝึกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็จะจะเหนื่อยแล้วจะหนักหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยที่จะมาทำอะไรนั่งนิ่งๆแล้วทำอะไรซ้ำๆ ซ, ซ, ซักๆเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อเพราะปกติในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพอเราเบื่อเราก็เปลี่ยนอารมณ์ไปทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำไอ้นั่น ใช่ไหมมันก็จะไม่เบื่อแต่มานั่งทาแบบนี้มันเบื่อนะซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยที่มันเบื่อเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์อีกอารมณ์่ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราก็อย่าไปสนใจมันมันเบื่อก็ช่างมันเป็นเรื่องของเบื่อแต่เรากลับมารู้สึกตัวมันจะคิดก็กลับมารู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวเพราะว่าความเบื่อก็ดีความคิดก็ดีมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้เราไม่สนใจมันเหมือนกับมี มีเซลแมนมาเคาะประตูที่บ้านจะขายของเียถ้าเราไม่ต้อนรับเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเอง น, นี่ก็คือลักษณะของความคิดลรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยเนื่องจากชีวิตประจาวันเราส่วนใหญ่เราจะมุ่งมองไปข้างนอกนก็คือสนใจสิ่งรอบๆตัวเพราะนั้นใจเนี่ยมันก็จะไปอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นการที่เรามาที่วัด แล้วมาฝึกปฏิบัตินี้ก็คือเรียกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียกว่าเป็นการพาใจกลับมาอยู่ตัวเราเองการที่พาใจกลับมาเนี่ยอุบายที่หลวงพ่อเทียนท่านได้แนะเอาไว้ก็คือการที่เรามาสร้างจังหวะนะมาสร้างจังหวะการสร้างจังหวะ14 14จังหวะเนี่ยมันพอดีพอดีเลยนะก็คือให้เราใจเราไม่ส่งออกไปข้างนอกกลับมาอยู่ที่ข้างในนี้กลับมาอยู่ที่ตัวเรา เพราะถ้าเรากลับมาอยู่ที่ตัวเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวสติเนี่ยมันจะทํางานได้ได้ฉับไวขึ้นนะเป็นการเรียกสติกลับมาอยู่กับเนวกับตัวการทําแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เริ่มต้นจากของที่หยาบก็คือการเคลื่อนไหวของกายมันจะเหมาะมากเลยกับคนในยุคปัจจุบันที่เราจะต้องใช้เวลาในการทํานู่นทานี่เราไม่สามารถที่จะมานั่งหลับตาได้เราต้องลืมตา เพราะนั้นรูปแบบที่เราทำเนี่ยเป็นอุบายเป็นกุศโลบายที่จะเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะบางทีมันซ้ำซากมันเบื่อขึ้นมานะก็เป็นธรรมดาทุกคนนะเบื่อบ้างง่วงบ้างปวดเมื่อยบ้างนะคิดฟุ้งซ่านบ้างนะง่วงเหงาหานอนบ้างอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันจอนเข้ามาให้เราดู เรามีหน้าที่ดูแลไม่เบี่งสนใจดูผ่านแล้วมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวนะมันจะง่วงมันจะฟุ้งซ่านก็กลับมารู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นหลักให้กับเราเออสมัยก่อนเมื่อกระผมด้วยตรร ม, มาได้ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านก็เข้าใจว่าเราเนี่ยจบปริญญาตรีเราเป็นปัญญาชนท่านก็ให้ไปดูความคิดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ย การดูความคิดในที่นี่หมายถึงว่าพอมันคิดเรื่องอะไรเราก็ตามความคิดไปเรื่อยๆ เ, เริ่มต้นจากตรงไหนไปจบที่ตรงไหนแล้วคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาต่อกันไปเรื่อยๆอเนี่ยอาการอย่างนี้เนี่ยเราทำให้เรามึนหัวนะมันหลงไปในความคิดแล้วมันเข้าไปอยู่ในความคิดแล้วพอดีมีช่วงหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนลงไปที่วัดสนามในตอนนั้นเขาจะมีการจัดอบรมแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนไปช่วยหลวงพ่อเทียน นะก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยผมไม่รู้ไปอะไรทำไมมันมึนหัวมันหนักหัวมากก็เล่าให้ท่านฟังว่าเราคอยไปดูความคิดไปจ้องความคิดนะไปดูว่ามันเกิดยังไงแล้วมันจบยังไงมันเป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาคิดไปเรื่อยนะหลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำเบื้องต้นเนี่ยให้เรามารู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวก่อนอันนี้เป็นฐานเลยเป็นฐานสําคัญเลยตรงนี้จะเป็นฐานเบื้องต้นเลย แล้วจริงๆฐานตรงนี้ก็ใช้ได้ไปจนถึงต่อไปเรื่อยๆเพราะถ้าเรามีฐานดีเนี่ยการจะมองเข้าไปในความคิดเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนและมันก็จะไม่หลงไปในความคิดไม่หลงไปในอารมณ์เพราะเรามีหลักนะไม่มีหลักอยู่ที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่กายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยสติปัฏฐานสเนี่ยเขาก็เริ่มต้นที่กายยานุปัสนาก็คือเริ่มที่กายนี้เอง เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเบื้องต้นเลยที่ใช้ได้แล้วคนที่ทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังใช้ได้นะเบื้องต้นทํากลางแล้วก็ที่สุดเนี่ยสามารถที่จะทําได้ตัวผมเนื้ทํามาเองฝึกมานานแล้วเนี่ยนะก็ยังใช้ความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี้อยู่ในขณะที่เราพูดเราคุยนะเราก็มีความรู้สึกอยู่ที่กับสิ่งที่เราทํานี้เพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดี ถ้ารู้สึกว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราแก้ไม่ได้เนี่ยให้อะความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยมาแก้มันจะเป็นตัวแก้ไขได้มันจะมีอาการที่เรารู้สึกปล่อยวางได้นะมันจะมีอาการโปร่งโล่งนะแต่อาการโปร่งโล่งก็อย่าไปติดมันอีกเหมือนกันนะมันจะมีเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําในรูปแบบได้แล้วเนี่ยนะก็คือกลับมารู้สึกตัวที่กายบ่อยๆมีความคิดอะไรมีอารมณ์อะไรขึ้นมา อย่าไปสนใจมันมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวแต่แน่นอนนะต้องระวังนิดนึงว่าบางทีเราไปจ้องมันไปจ้องจะให้มันรู้สึกตัวตลอดเวลาอันนี้ก็จะตึงจะเครียดอีกจะมึนหัวอีกเพราะฉะนั้นการทำที่เป็นธรรมชาติก็คือรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอไม่นานกลับมาเร็วรู้รู้สึกตัวเผลอเผลอคิดไปกลับมานะก็ไม่เผลอไปนานเพราะฉะนั้นรู้บ้างเผลอบ้าง ไม่ใช่รู้ตลอดออหลวงพ่อเขียนเคยพูดไว้ว่ารู้เนี่ยให้รู้เป็นจุดๆไม่ใช่รู้เป็นเส้นต่อเนื่องกันไปเราไปเข้าใจว่าต้องรู้เป็นเส้นยังไงหัวงั้นตึงตึงเกินไปแล้วจะเครียดมึนเพราะเราไปจ้องเราเพ่งเกินไปเพราะฉะนั้นคนนี้มีอาการหนึ่งก็คืออึดอัดมึนหัวเนี่ยวิธีแก้ก็คือเราเราปล่อยโลง่โลงๆปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างเราจะเพ่งเข้ามาข้างในเกินไป ดังวิธีการแก้ที่หลวงพ่อเตียนนั่นแน่ว่าก็คือมองไปที่ท้องฟ้าโล่งๆสักพักหนึ่งให้มันสบายๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีความฉลาดในการที่จะปรับอารมณ์ของเรานะหรืออย่างอนงทีเรานั่งสร้างจังหวะมันง่วงง่วงเนี่ยเราก็ทำให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันยังง่วงอยู่อีกก็ตบตบมันเล่นก็ได้นะหรือถ้ามันไม่ไหวจริงจริงลุกเดินเลยนะ เดินหน้าเนี่ยถ้ามันยังง่วงถอยหลังดูเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยก็คือแก้อารมณ์แก้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่จมอยู่ในอารมณ์นั้น น, นี่เป็นสิ่งที่ที่ได้จากการปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับเราจะได้แข็งแรงนะหลายคนเข้าใจว่ามาฝึกสมาธิน่าจะได้ความสงบนิ่ง สบายอันนั้นคือจินตนาการอาตมาเองตัวผมเองแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นแต่ ม, มาฝึกอย่างนี้เนี่ยโอ้มันบางทีก็มีสบายบ้างไม่สบายบ้างมีโป่งบ้างมีหนักบ้างมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยพอเราสังเกตดูอย่างนี้เราจะเห็นเลยความไม่เที่ยงมันมาแล้วมันมาแสดงให้เราดูแล้วความไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้นี่มันแสดงให้เราเห็นเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยให้รู้กายเคลื่อนไหว นะใจคิดนิกเนี่ยปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวก่อนถ้ากายเคลื่อนไหวชัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไปรู้เองรู้ความคิดแล้วมันจะปล่อยวางความคิดได้คนที่ทำงานในโลกเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทำงานธุรกิจเนี่ยจะมีเรื่องคิดตลอดเวลาแล้วบางทีมันคิดแล้วมันปล่อยไม่ได้เพราะนั้นเรามาที่นี่เรามาปล่อยนะเครื่องมือที่ปล่อยคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละที่จะทาให้เราปล่อยวางได้ เพราะนั้นการปล่อยวางเนี่ยจะบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยมันเป็นคำพูดแต่เรามาทำอย่างเงี้ยมันปล่อยวางเองสติเขาจะทำหน้าที่ปล่อยวางเองเราไม่ได้ไปทำหน้าที่ปล่อยวางเพราะนั้นเราทำความรู้สึกตัวนี้ให้ชัดตรงนี้คำว่าชัดตรงนี้ก็คือมันจะมีความรู้สึกตัวได้บ่อยเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างถ้ารูปแบบนี้ชัดเดี๋ยวเราไปทำการทำงาน เดินกลับไปกุฏิก่อนนอนล้างหน้าล้างตาแปลงฟันมันจะติดไปมันจะเป็นความรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันนะหรือว่ากินข้าวนะมันก็จะมีความรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกมานานแล้วเนี่ยนะนอกจากในรูปแบบแล้วเนี่ยพยายามสังเกตเก็บตกนะเก็บตกจากความรู้สึกตัวที่เป็นรูปแบบเนี่ยคอยสังเกตการเดิน ให้รู้สึกตัวกับการเดินการจับสัมผัสสิ่งต่างๆนะก็ให้มีความรู้สึกแต่บางทีเราอาจจะทําอะไรช้าลงนิดนึงนะก็จะทําให้เรามีความรู้สึกตัวที่ชัดแต่อย่างไรก็ตามนะถ้ารู้ว่าหลงแล้วก็ช่างมันเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปโทษตัวเองว่าแหมเราหลงไปแล้วเริ่มต้นใหม่เลยความรู้สึกตัวนี้เริ่มต้นใหม่เรื่อยๆหลงแล้วแล้วไปมารู้สึกตัวหลงแล้วแล้วไปมารู้สึกตัวตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นเทคนิคนะที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนะคำว่าความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องไม่ใช่ว่ารู้ตลอดเป็นเส้นรู้บางเผลอบ้างแต่เผลอแล้วกลับมารู้ได้เร็ว น, ะนีแล้วการต่อเนื่องก็คือทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบนะนอกรูปแบบคือในชีวิตประจาวันตั้งแต่ตื่นยันหลับแลวบางทีนะถ้าสติเราดีๆนะ บางทีในฝันนะมันยังมีสติเข้าไปเกี่ยวข้องอีกแต่บางทีมันเข้าไปแก้ไขได้ด้วย น, น, นี้มันก็มีมีเหมือนกัน น, นนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกเจริญสติกันในในครั้งนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นการมาพัฒนาตัวเราเองจริงๆรงนะิแล้วก็จะเอาความรู้สึกตัวเนี่ยไปใช้กับการกับงานได้จริงๆรนะิโดยเฉพาะ กลุ่มที่มาจาก a a a นะอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้อย่างดีนอกจากจะมีผลในการทำงานแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่อยู่ในตัวเราอะนะที่มันทำให้เราชุ่มชื่นใจอะทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจอะเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองวิ่งหาความสุขจากวัตถุมากเกินไปแล้วนะเรามีความสุขในใจถ้าเราสัมผัสต ร, ตรงนี้ได้ นะเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เจ้าชายศุยิตาเนี่ยได้ค้นพบเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องมาพิสูจน์มาลองดูและลองมาชิมความอิ่มอกอิ่มใจความชุ่มชื่นใจที่มีอยู่ในตัวเราโดยเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือนะในการที่จะเดินทางไปถึงตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ นะกอ็อันนี้เป็นสิ่งที่ เ, เป็นการแนะนำนะจากประสบการณ์ที่ที่ได้ฝึกมานะแต่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการฝึกเนี่ยนะมันก็มีมีผิดพลาดบ้างหลงบ้างก็ไม่เป็นไรนะถือเอาความผิดเป็นครูการการฝึกของเราเนี่ยเราเจนว่ามันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยให้เราสังเกตดูนะ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีสิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเราใจล้วปกติไหมบางคนเนี่ยนะตอนฝึกในรูปแบบเนี่ยก็ใจปกติดีแต่พอออกไปทำโน่นทำนี่พออะไรมากระทบปุ๊บไม่ปกติแล้วอันนั้นแสดงว่าความรู้สึกตัวของเรายัางยังยังไม่คมชัดจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองเพียงแต่ให้รู้ว่าเรายังฝึกมายัางไม่พอนะเพราะนั้น ที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้รู้จักการสังเกตให้เราเป็นครูอาจารย์เราเองเนี่ยก็สังเกตจากตรงเนี้ยเราไปใช้ชีวิตประจําวันไปกระทบกับสิ่ ง, งต่างๆแล้วเราดีใจเสียใจหรือใจเราปกตินะอันนี้จะเป็นเครื่องวัดได้นะไม่ต้องไปถามใครเลยโอ้ใจไม่ปกติแล้วโอ้กลับมารู้สึกตัวนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ที่สามารถวัดผลได้ตัวเราได้ด้วยตัวเราเอง เพราะนั้นการเรียนวิธีนี้เนี่ยสามารถที่วัดผลตัวเราเองได้แต่แน่นอนนะบางครั้งเราทำไปเนี่ยมันติดขัดมันแก้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นะเข้าไปพูดไปคุยไปสอบถามเล่าให้ท่านฟังนะว่าอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะแก้ยังไงได้บ้างนะท่านอาจารแ์นะแนะนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวกระผมดิฉันเองได้ประสบพบมานะในสิ่งที่ได้ฝึกนะความรู้สึกตัว ก็ยอมรับนะว่าตอนนี้ตัวเองก็ยังเป็นผู้เดินทางอยู่นะยังไม่ถึงที่สุดทีเดียวแต่เห็นเป้าหมายแล้วล่ะชัดเจนว่าที่สุดมันคืออะไรนะแล้วก็เพียรพยายามต่อไปเรื่อยๆนะก็หวังว่าพวกเรานะจะได้ประสบพบเห็นนะความเป็นปกติของใจนะจากการที่เรามาฝึกความรู้สึกตัวนะก็ท้ายที่สุดนี้นะขอ ให้ทุกท่านนะครับได้ประสบพบเห็นนะกับความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วด้วยการฝึกความรู้สึกตัวเจริญสติเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งท้อถอยนะโดยเพพาะกลุ่มที่มาสองวันสาวันนะอันนี้อันนี้เพียงแค่เริ่มต้นนะชิมนะก็ขอเจริญพรทุกท่าน